ในวาระครบรอบอายุวัฒนะหกสิบหกปีของหลวงปู่สาครธรรมมาวุโธคณะสิทธ์จึงได้จัดทารรเสียงธรรมที่ท่านได้อบรมพระเนนอุบาสกอุบาสิกาเพื่อเป็นคติธรรมน้อมรำลึกถึงคุณความดีความเมตตาที่ท่านตั้งใจ ได้กระทำมาตลอดอายุของหลวงปู่